พบลูกทางธรรมเมื่อประมาณเดือนมีนาคมพศ2551หลวงตาท่านเทศเรื่องกรรมนั้นอัศจรรย์นักท่านเทศบ่อยมากในช่วงนั้นจนอ่อนสงสัยว่าต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรรมของใครบางคนท่านเทศเป็นรวมๆอยู่ประจำอ่อนสังเกตว่าหากหลวงตาท่านเทศเรื่องใดขึ้นมา ก็มักจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตามมาทุกครั้งดังที่คุณหลวงเคยเล่าให้อ่อนฟังว่าท่านเคยเทศเรื่องเสือผู้หญิงคาบพระไปกินอยู่บ่อยๆเมื่อยี่สิบปีกว่ามาแล้วไม่นานนักก็มีพระถูกเสือคาบออกจากวัดไปหลายรูปแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้เทศอีกท่านได้เตือนทางอ้อมให้คิดพิจารณาเอาโจทย์ที่ท่านเทศนี้เหมือนกับท่านรับรู้มาก่อนแล้วว่าใครมีอะไรในใจ ใครที่สมควรจะเตือนท่านก็เตือนการเทศเรื่องกรรมของท่านเหมือนบอกล่วงหน้าว่าจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นเรื่องนี้ทำให้อ่อนต้องเก็บเอามาคิดจนฝันไปว่ามีเด็กผู้ชายโตแล้วไม่ใช่เด็กเล็กๆใส่ชุดขาวทั้งชุดเหมือนคนอยู่วัดถือศีลมานั่งตักอ่อนเขากอดอ่อนจนแน่นแกะไม่ออกพยายามแกะถึงสามครั้ง แต่แกะอย่างไรก็แกะไม่ออกรัดแน่นจนหายใจใหายคอไม่ออกอ่อนเห็นหน้าแล้วเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีน่ารักพี่ตึงมองอ่อนแล้วหัวเราะว่าอ่อนพยายามแกะเด็กออกจากตัวแต่ยิ่งแกะก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นจนต้องยอมแพ้กอดเข้าไว้กับอกรับไว้ในความดูแลของอ่อนอ่อนตึงขึ้นมาคิดในใจว่าฝันแปลก ยังจำหน้าตาเจ้าเด็กในชุดขาวได้แม่นยำชัดเจนมากภาพยังประทับในความทรงจำอยู่เสมอมาจนเมื่อวันที่20มีนาคม2551คุณหลวงโทรศัพท์มาหาอ่อนให้อ่อนช่วยอนุเคราะห์เด็กที่ต้องการมาถือศีลที่วัดชื่ออนุวัตรกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรขณะที่คุยโทรศัพท์อ่อนแวบเห็นภาพเด็กคนนี้และคนที่มากอดอ่อนในฝันขึ้นมาทันที คงเป็นคนนี้แน่ๆที่มาพบกันในฝันและตัวจริงก็กำลังจะมาอ่อนรับปากกับคุณหลวงว่าจะดูแลเด็กคนนี้ให้ไม่ต้องกังวลคุณหลวงประสานงานให้ดาบจอดช่วยไปรับอนุวัต์ที่ปากทางเข้าวัดในวันที่เขาเดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่29มีนาคม2551ตอนเช้าอ่อนได้พบกับอนุวัต์ ขณะยืนรอใส่บาตหน้าวัดร้อมกับหมู่คนจำนวนมากเช่นทุกวันอ่อนเดินออกมานอกวัดเพื่อมาใส่บาตเห็นอนุวัตยืนอยู่เพียงแค่เห็นก็รู้เลยว่านี่คือคนที่เราเห็นในฝันคิดในใจว่ามาแล้วข้าหลวงใหญ่มาแล้วแขกพิเศษมาแล้วคนสำคัญของชีวิตอนุวัต์มองมาที่อ่อนตั้งแต่เดินออกจากประตูวัดมาแล้วพอมายืนตรงหน้า อ่อนมีความรู้สึกวูบเข้าไปในใจสายตาที่อนุวัต์มองอ่อนเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างรอยยิ้มทำให้เด็กคนนี้เหมือนไก่ในฝูงที่ชูคอสูงขึ้นมาเป็นจุดเด่นเห็นชัดเจนไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่าใช่แล้วเด็กคนนี้เลยที่อ่อนพยายามแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกดาบจรอดแนะนำอนุวัต์ให้อ่อนรู้จักอนุวัตนี่คุณสุนันทา พร้อมกับหันมาบอกอ่อนว่าพี่อ่อนครับอนุวัตรผมไปรับมาเมื่อเช้าตามที่คุณหลวงฝากมาครับอนุวัตรจึงยกมือไหว้อ่อนด้วยความนอบน้อมอ่อนเห็นท่าทางการไหว้ทำให้อ่อนแปลกใจว่าเป็นเด็กที่ไหว้ได้สวยงามอ่อนสัมผัสได้ว่าเขาจริงใจกับการที่ได้มาพบอ่อนจึงถามเขาไปว่าเคยภาวนาไหมถ้าหากไม่เคยก็จะแนะนาให้ อนุวัตรตอบรับมองอ่อนตลอดเวลาพูดไปก็ยิ้มไปด้วยขณะนั้นแถวพระเดินรับบาทมาถึงอ่อนแล้วจึงได้ใส่บาทร่วมกันแล้วเข้าวัดร่วมจัดอาหารถวายองค์หลวงตาตลอดเช้าผู้คนได้แต่มองอนุวัตรและถามกันว่าเด็กคนนี้เป็นใครเมื่อถูกถามถึงอายุอนุวัตรตอบว่าอายุ24ปีอ่อนอายุ48ปีแล้วแก่กว่ากัน24ปีพอดี เป็นลูกชายได้เลยอนุวัตรจึงหันมายกมือไหว้ออนอีกครั้งขอเรียกว่าแม่นะครับตั้งแต่นั้นมาอ่อนเลยมีลูกชายโตเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจสมัยเมื่อแต่งงานใหม่ๆอ่อนไปขอลูกที่วัดหลวงพ่อโสธรแต่ไม่เคยสมหวังแล้วก็แปลกคุณแม่ของอนุวัตเขายกอนุวัต์ให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรตั้งแต่เล็ก ก็ไม่ทราบว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาหรือเปล่าอนุวัต์มาถือศีลอยู่ที่วัด12วันทั้งที่ตั้งใจว่าแต่แรกว่าจะอยู่เพียงห้าวันแต่พอมาแล้วไม่อยากกลับตั้งใจภาวนาอย่างเต็มที่จนถึงวันที่11เมษายนหลวงตาเดินทางเข้ากรุงเทพไปสวนแสงธรรมอนุวัต์จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมขบวนเดินทางไปด้วยเด็กคนเนี้ยมีบุญจริงๆ เมื่อมาถึงสวนแสงธรรมอนุวัตช่วยการจัดสถานที่ให้เรียบร้อยเพราะในวันรุ่งขึ้นวันที่ส2องเมษายนคนจะเข้ามาวัดกันมากพอจัดเสร็จก็นอนค้างสวนแสงธรรมถือศีลกันต่อเนื่องเลยพอนากกันเต็มที่เขาเป็นเด็กฝ่ายธรรมะอดทนและมีความตั้งใจนับว่าเป็นบุญของเขาในวันสงกรานต์เมื่อดูแลหลวงตาแล้วท่านเข้าไปพักผ่อนแล้ว อนุวัตก็ขอเข้าไปรดน้ำตามประเพณีไทยกับผู้ใหญ่หลายคนด้วยกันแล้วมารดน้ำให้อ่อนที่มือพร้อมกับบอกว่าให้คุณแม่อยู่นานๆนะครับจะได้เป็นที่พึ่งของคนอีกมากมายและก้มลงกราบอ่อนจึงโน้มตัวลงไปดึงมือเขาขึ้นมาบอกกับเขาว่ามานี่ลูกมานี่มานั่งใกล้ๆแม่อนุวัตตาแดงๆทำท่าจะร้องไห้ทำให้อ่อนต้องเอื้อมมือไปจับมือเขา เข้าใจเด็กคนนี้ดีว่าหากใจไม่ลงกันแล้วคงกราบกันไม่ลงอยู่มาจนอายุขนาดนี้แล้วอ่อนไม่เคยมีลูกและไม่เคยเรียกใครว่าลูกเลยและยังเรียกตัวเองว่าแม่ไม่เป็นวันสงกรานต์ปีนั้นจึงเป็นวันที่เรียกตัวเองว่าแม่เป็นครั้งแรกยอมรับอนุวัตเป็นลูกตั้งแต่วันนั้นมาบางครั้งก็มีเผอเรียกตัวเองว่าพี่ก็มีเพราะไม่ค่อยคุ้นวันนั้นได้ให้พรอ น, อนุวัตไปว่า ขอให้ลูกแม่มีความสุขสุขกายสุขใจนะลูกเสร็จจากการให้พรแล้วจึงได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าวันนี้อ่อนมีลูกแล้วหนึ่งคน จะ